ท่านสาธนพุชนบริษัททั้งหลายการเริ่มเรื่องในตอนที่เข้าเรื่องนางสีตอนที่แล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยจะมันเลยคุยกันไม่ค่อยจะมันนักเพราะเป็นสารบานได้ความจริงนา ง, ง, งสีเรื่องนี้เขียนเองแต่ไม่ได้อ่าน พอมาอ่านเขาแล้วก็ชักงงๆเหมือนกันว่าเค้าอะไรเปบ้างแต่ก็ขอยืนยันว่าเรื่องที่เขียนเป็นเรื่องจริงทั้งหมดตอนนี้ก็มาคุยกันตอนตายครั้งที่หนึ่งการตายครั้งที่หนึ่งนี่ว่ากันตามนางสีนะตอนนั้นกํนาลังป่วยมาก <c oughs> ป่วยมากนี่เขียนอะไรไว้มันก็ไม่ทราบ ถ้า่ถามว่าเอาเรื่องในตายย้อนเข้ามาไล่เล่าทำไมเพราะว่าเวลานี้มันใกล้จะาตายขั้งที่ห้าเข้ามาแล้วเวลานี้ในกำลังสร้างที่เก็บศพสร้างกุังสาหรับเก็บศพสร้างเครื่องตั้งศพสร้างเตาสำหรับเผาศพสร้างที่สำหรับพระสวดศพเตรียมตาย ไอ <c oughs> การเตรียมตายนี่ไม่ใช่หมายว่าจะไปนั่งรอชาว บ, บ้านโหนนะเดี๋ยวใครรู้ก็นุ่มพ่อเจ้าค่ะนุ่มพ่อขอรับขอได้โปรดอย่าเพิ่งตายเลยผมจะถวายนั่นผมจะถวายนี่ผมจะยอมปฏิบัติทุกอย่างที่นุ่มพ่อต้องการมันไม่มีประโยชน์ต้องดูว่าแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงเป็นอัจฉริยมนุษย์ สรงประเสริฐกว่ามนุษย์เทวดาหรือพมทั้งหมดคันห้าของพระองค์ก็ตายในเรื่องการตายนี่จะมายับยั้งกันมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรการที่จะยับยั้งคนอื่นไม่ให้ตายเนี่ยเขภาภัยเถอท่านยับยั้งตัวเขาตนเองได้หรือเปล่าว่าไม่ให้ตาย ทุกคนที่ไม่ต้องการตายอยากจะทราบว่าการเกิดของท่านนะ่ะท่านต้องการให้มันแก่หรือเปล่าหรือว่าท่านต้องการให้มันป่อยหรือเปล่าท่านไม่มีใครต้องการไม่ต้องการนะทำไมยังปล่อยให้มันแก่ล่ะและ้วทำไมยังปล่อยให้มันป่วยถ้ามันแก่ได้มันป่วยได้มันก็ตายได้คำว่าแก่เนี่ยไม่ต้องอายุมาก เกิดมาไี้วันก็แก่ไปวันเกิดมาสองวันก็แก่สองวันเกิดมาสิบเดือนก็แก่สิบเดือนเกิดมาหนึ่งปีก็แก่ไปหนึ่งปีร่างกายมันไม่คงที่มันเคลื่อนไปเรื่อยเรืยมันจะตายก็ช่างมันไปเลยล่ะอย่าไปห่วงอะไรกับความตายความจริงคนทุกคนเราเกิดมานี้ไม่มีใครกลัวตายที่ไม่กลัวตายในความจริงไม่ใช่ใจไม่กลัวหกายมันไม่กลัวตาย เมื่อกายมันเดินก็ไปหาความตายทุกลมหายใจเข้าออกรู้กันบ้างหรเปล่ารู้ก็รู้ไม่รู้ก็แล้วไปมาเล่ากันถึงเรื่องถึงการตายจามหนังสือดีก ว, ว่าการตายครั้งที่หนึ่งนี่เขียนไว้ว่าตายเมื่อเป็นเด็กอายุสิบสองปีเคยบอกกับใครๆไว้ว่าอายุสิบเจ็ดปีก่อนมันในตอนก่อนนะไม่จริง นั่นเป็นเรื่องของคนที่จำประวัติตัวเองไม่ได้ดูที่ไม่ละแต่ประวัติของตัวเองในยังจําไม่เขาจะได้จําไม่แม่นแต่เวลาตายไปแล้วคนอื่นเขียนประวัติเขาจะไปจําแม่นหรือนี่เรื่องนี้มันเป็นจริงๆริงเพะนั้นว่าเมื่อเขียนนี้ท่านแม่ที่ตายไปแล้วท่านมาบอกให้ทราบฮว่าการตายครั้งแรกเนะี่ยไม่ใช่อายุสิบเจ็ด มันตายเมื่ออายุ12ปีดูที่มันล่ะนี่ตัวเองยังจําไม่ได้เลยเมื่อท่านแม่ถ้ามาบอกเย็นนั้นก็นนะึกทบทวนไปท บ, ทบทวนมาบอกเออจริงนะเราตายเมื่ออายุ12ปีตอนนั้นเรากําลังเรียนหนังสือต๊อกต๊อกต๊อกต๊อกอยู่นะดูเหมือนว่าจะเป็นมัธยมปีที่สองยังวิ่งจู่ๆอยู่นะอะไรจู่ก็ไม่ทราบ แป็นว่าตายเมื่ออายุ12ท่านบอกอย่างนั้นโรคที่ทําให้ตายก็คืออะิวาตกโรคคําว่าอะิวาตะกโรคเนี่ครับแปลว่าโรคที่มีลมพิษเหมือนพิษงูตามศัพท์ไดอวาตะกโรคในเวลานี้หมอชั้นผู้ใหญ่ก็ยังแจ้งว่ายาที่จะรักษารโรคโรคนี้โดยตรงเนี่ยมันไม่มีม่ะ ถ้าอยากถามว่าโรคนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงก็ ต, อต้องตอบว่าโรคคนนี้มันเกิดเพราะด้านหนของผีเอาลระพ่อเทวดาที่ผีไม่มีเทวดาไม่มีแล้วโจมตีต่อไปเชิญที่ประคุณเชิญแกไปดูพ่อดูแม่แกที่ตายไปแล้วที่มันเป็นผีหรือเปล่าในกะว่าผีไม่มีเทวดาไม่มี คัดค้านคําสั่งคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจา้าอย่างนี้เขาเรียกกันว่าเดรัจฉีโดยถ้า爷爷พูดไปทีเขาจะว่าสาวกของคุณนาชีวกไอ้คุณนาชีวกเนี่ยมันตั้งหน้าตั้งตากโกหกชาวบ้านมันบอกว่าคนที่เกิดมาไม่ต้องทําความดีไม่ต้องทําความชั่วโลกหน้าไม่มีชาติหน้าไม่มี นรกไม่มีสวรรค์ไม่มีคนโลกอื่นมาโลกนี้ไม่ได้ถ้าเกิดจากโลกนี้ก็อยู่ที่โลกนี้ต่อไปเพราะอายุผ่านไปไหกสิบแปดสิบสี่กับก็จะกลายเป็นคนคนบริสุทธ์เองนี่นายคุณนาชีวกึกษาสอนไว้อย่างนี้อันนี้พูดที่ว่าเทวดาไม่มีผีไม่มีเนี่ย ความจริงพระพุทธเจ้าเป็นองค์ยืนยันว่าเทวดามีผีมีนรกมีเปรตมีสุรกายมีสัตว์เดัจนมีพรหมมีนิพพานมีแต่ว่าท่านผู้นั้นประ ก, กาศตนมาเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จะเห็นชัดว่าเขาเป็นคนหลอกลวงชาวบ้านในเมื่อพระพุทธเจ้า ว, ว่ามีแต่เขาว่าไม่มี คำว่าสาวกแปลผู้รับฟังถ้าหากว่าเธอเป็นสาวกจริงๆก็สแสดงว่าเป็นคนหูหนวกพร <c oughs> ออะไรราฟังไม่รู้เรื่องถ้าหูไม่หนวกตาไม่บอด ก, ก็ต้องเป็นคนบ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าผีมีเทวดามีแต่ก็พระแกบอกว่าผีไม่มีเทวดาไม่มีถ้าคนดีเขาต้องพูดตามเสียงที่พระพุทธเจ้าตรัส คนบ้าเท่านั้นนะมันจะพูดตามชอบใจของมันเออมาคุยกันต่อไปโรคที่ตายคือตายอีวาตะกรโรคจะไม่ดีนะอีวาตกวากกะกโรคโครคะนี่นก็มีอาการเสียดแทงโรคคืออาการเสียดแทงประเภทนี้มันมีพิกใกล้พิกของโอพท่นวอาอย่างนั้น ไว่าโรคนี้ท่านแปลตามศัพท์ว่าโรคที่มีลมพิษมัพิงโกงูนะนรีเขาเขียนไว้เหมือนกันให้เราก็นดันแปลซะ ก, ก่อนท่านบอกแต่ะกล่าวต่อไปตามนรศีว่าก่อนตายตอนป่วยก่อนตายหนึ่งวันตอนนั้นก็อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีตำบลสาลีอำเภอบำรามา โปรดจำไม่ได้ว่าจะมาเป็นคนในตระกูลของตระกูลสังสวรไอร้ตระกูลสังสวรนี่มันแยกออกไปเยะมันมากเป็นเป็นใช้นํ า, นามตระกูลว่าสุวรรณหงบ้างสวรรวัฒนาบ้างสุวรรณประเสริฐบ้างอันนี้เป็นสาขาออกมาจากตระกูลสังสวรในกล่าวว่าในตอนบ่ายฮตอนตอนบ่ายวันก่อนที่จะตายเนะี่ย เอออ่านตอนนี้ได้ก็มันนึกจำภาพได้นะ <c oughs> บรรดานักเกรงสุลาบานทั้งหลายเขาก็ไปหาห้อยโคงมาเอาให้โคงมาพล่าเพื่อกินกับเหล้าเ <c oughs> มื่อเขาทำเสร็จเขาก็ตั้งวงเล่ากันเข้า เ, เขาว่าตั้งวงเล่าแล้วก็นั่งตั้งกงกันตามสบาย กินเหล้าบ้างกินด้วยเฉพก็เหล้ากันไปด้วยคุยกันไปด้วยแล้วกินกับเคยห้อยหงส์ยโขงพลาดด้วยแต่ว่าความจริงอาตมาเองนะไม่ได้กินกับเขาอะกินเหล้าไม่เป็นตั้งแต่เกิดมาจนกทั่งถึงเวลานี้กินเหล้าไปนหนึ่งกงครึ่งเฮ้ยตอนนั้นการฉลองรัฐธรรมนูญ เดินเที่ยวมันหลาวจัดตอนเด็กเพื่อนเขาบอกกินเหล้ามันอุอน่นก็กินเข้าไปกงแรกมันบาดคอเกือบตายเพื่อนก็ส่งมาให้อีกเลยเอาอีกครึ่งกงแล้วก็วางแก้วแล้วก็บอกเขาบอกนับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปแกก็ฉันไม่ต้ชวนกินเหล้าต่อไปฉันไม่เห็นว่าอร่อยตรงไหนนี่เนี่ยกินแล้วมันไม่อร่อยเสียสะตางแกกินกันทาไม แกอยากจะกินก็กินฉันไม่กินก็แ ก, กต่อไปแต่เราก็คบกันได้ไม่เป็นไรเป็นนั้นว่าเล่าเรื่องกันต่อไปว่าแต่เทาว่ากินว่าแต่เทาว่าไม่ได้กินเหล้านะไม่ว่าเขากินเหล้ากันอาตมาไม่ได้กินเหล้าเราก็นั่งมําเฮยคงพร้าที่อร่อยดีไอ้เจ้าเฮยคงพร้าเนื้อมันอร่อยมากรู้สึกหวาน ดีกว่าเนื้อกุ้งดีกว่าเนื้อหมูดีกว่าเนื้ออะไรทั้งหมดฟังว่าดีๆได้จะยกขยงก็ไปยกไปเอาไปเลี้ยงให้คงออกมาค่าขายกันนะมันจะ บ, บาปอี่ตอนนั้นมันเป็นเด็กว่ารู้ว่าดีแต่ความจริงตอนนี้รู้มันไม่ดีแล้วแต่เขือนกินให้คงมากๆตายแล้วต ก, ก, กนรกมาเป็นเปรตแปลศรัทกากนที่จะเป็นสติฉันเนองก็มานั่งเกิดไปให้เพลิงคงทัาค่าตามมาตราตัว ไม่ควาแม้ถ้าเราฆ่าเฮ้ยโคงตายตัวเราก็ต้องเกิดเฮ้ยโคงเป็นหนึ่งชาติเขาฆ่าถ้าเราฆ่าร้อยตัวต้องเกิดมาเป็นให้โคงร้อยครั้งนี่เป็นเสรกรรมหลังจากนั้นยังต้องเป็นสัตว์ฉันอีกหลายประเภทเจงกว่าเราจะมาเกิดเป็นคนอย่าไปกินมันเลยนะคนที่เขากินเจกินผักนะเขามีกําลังดูช้างมา้าวัวควายดีมันไม่เคยกิน เนื้อหมูไม่เคยกินเนื้อไก่ไม่เคยกินของดีๆอย่างที่เราทำแต่มันมีแรงมากกว่าเราในเอราุ ป, ปาทานประเภทนี้เลิกทิ้งกระเที่ย ว, วกินอย่างนั่นดีกินอย่างนี้ดีมีประโยชน์ไปดูชาวไร่ชาวนาชาวชนบทที่เขาไม่มีอะไรกินมีวลาล้นร้อยเปอร์เซ็นมีน้ำพริกดึงผักสดจากข้างๆที่นั่งเวลาทำงานเสร็จเมากินโดยเฉ ย, เฉย เชื่อว่าตาบรรณาใหมก็รู้สึกเขาเกือบจะไม่มีการสชำรัะความสะอาดของทั้งหลายเหล่านั้นแต่เขาก็มีร่างกายแข็งแรงก็มีอายุยืนนานไม่เหมือนกับเทวดาที่มีความรู้มากๆอันหนึ่งก็ดีนี่ก็ดีนั่นก็มีโทษนี่ก็ไม่เคยสมควรกินแล้วกินอีกเห็นตายโหงไม่ตาม่างๆกันแล้วมีโรคภยัยใค้เจ็บมากเอามาคุยกันต่อไปวันนื้ให้โคมันอร่อยมาก เขาพลาดแบบขี่เมาขี่เมาเขาก็พลาดแบบเมาๆกินรอแล้วจนอินเต็มอัตราสิ่เมื่ออิ่มแล้วก็วิ่งเล่นเด็กนี่อายุสิบสองปีมันก็ไม่มีอาการสแสดงอะไรหมดมาท้องมันจะเสียคือเขากินกันหลายคนเขาก็ท้องไม่เสียแต่เราไม่ได้กินเหล้าเขาเล่าน่ากลัวมันจะเป็นยาแก้ท้องเสียนะ แถ้าได้ว่าขณะนั้นชาว บ, บ้านกำลังตายด้วอิวาตกันเกลื่อนโอ้โหกำลังสำคัญใช่นะพระท่านบอกว่าท่านพบคนตายเป็นปกติทุกวัน้ดยเมื่อโรอิวาเกิดขึ้นหมอที่มีกำลังอ่อนกว่าโรคเวลานี้หมอก็จะสู้โรคอิวาไม่ได้นะ <c oughs> มันดาหมอทั้งหลายฟังแล้วก็ทราบไปโดยว่าท่านเองนะ่ะท่านก็ยังไม่สามารถจะหายาจริงๆมาฆ่าโรคอหิวาได้เลยเป็นนวลาโรค ก, ก็เลยครองตำแหน่งครองเมืองเย่ยโรค ก, ก็ทิงแชมป์เป็นนว่าโรคเข้าที่ไหนตายที่นั่นแกเข้าที่ไห น, น, น, ไหนจะน็อกเอาที่นั่นถ้าเป็นนักมวยจิงแชมป์ได้ตามสบาย ชอบใจคนไหนจก็ยึดคนนั้นเอาไปตามชอบใจกลางคืนหาคนในเปล่าเวลากลางคืนเนี่ยขอหาคนเที่ยวันตรีกันไม่ได้หมามันหอนจู้จู้จู้านกะวันกลางคืนพอตกกลางคืนนายหอนเสียงแล้วก็เยียบเย็นเป็นเว่าคนรู้จักบ้านรักบ้านกันเยอะเป็นนว่าในาําบล น, นั้นและตําบลใกล้เคียงเงียบสงัด หนุ่มสาวที่เคยหิวรักปกติตอนเย็นเมื่อยามว่างงานก็เดินไปหามาสู่กันตามปกติแต่ว่าตอนที่เท ว, วดาฮิวาร์แกมาเนี่ ย, ย, ยพ่อแช่ไมฮิวาพ่อแช่ไมฮิวาแกมานี่ให้คนคนมันก็ตายมากเข้ามาเข้าทุกวันทุกวัน พระบอกว่าหนาวเหมือนกันเฮ้ยพระนี่กินผีนะเจอที่ไหนเห็นคนตายบอกว่นนาเข่าเบามาแล้วนี่คําว่านายเข่าเบาหมายความนว่าสวดแคบีธรรมเจ็ดจบนี่นก็มาจจิกาบาลสกุลได้สตางค์ลงทุนไม่มากไม่เหมือนงานประจําบ้านที่เราสวดบนเยินไรไรบทสวดบนชเช้าแไรไรบทนันเขาเรียกนายเข้าหนักแต่ผีตายนี่พระเขาเรียกนายเข่าเบา ถ้าพระเจดนายเข้าเบาเข้าวันวันละหลายหลายรายการนี่พระก็ชักหนาวหนาวร้อนร้อนบางท่านบอกว่านั่งเล็กๆกว่าเอไอฉันเองเนี่มันก็จะกลายเป็นนายเข้าเบาบา้างหรือเปล่ปาก็ไม่รู้แต่ตอนนั้นไม่ได้ถามว่าพระตายวันเปล่าก็ไม่รู้ไอคนที่บดพระนะพระจริงๆทําไมตายเออคุยกันต่อไปสมบูรจะหาหนุ่มหาสาวที่หิวรัก คนจริงก็ยังหิวรักกันอยู่นะที่จะเดินไปมาหาสูกา่กันทำไม่เมียเงียบอยู่บ้านก็สบายคนที่เคยเที่ยวบอกว่ากลางคืนถ้าหมาไม่เหยียบรอยนอนไม่หลับที่ตอนนี้ไม่ต้องการให้หมาเหยียบรอยไอ้หมาเหยียบจะไม่กลัวกลัวผีจะเหยียบรอยที่ทเห็นรอยกระจายมาไปแกคว้าขวามก็ตามทางนลนะตายโหงไม่เป็นเรื่องเขาไม่ไปกันเป็ น, นั้นว่ากลางคืนเงียบ รู้สึกเยื่กเกี่ยงยายฉกคนสวนนักกหอนตั้งแต่ตอนค่ำตลอดแจง้งคนในบ้านที่ใกล้ใกล้เคียงแต่งคนต่งก็กลีงกลัวความตายกันตอนนั้นพระก็ชักจะมีราคาขึ้นออนมีจะได้มากที่ว่านี้ก็เพราะว่าไม่ใช่พระสงฆ์หรอกนะเพราะว่าตอนนั้นพระชักจะมีราคา แต่ตานังศีบอกว่าที่ว่าพระมีราคาเนี่ยความจริงไม่ใช่ประสงค์เป็นพระพุทธต่างหากเป็นพระพุทธเจ้านะที่มีราคามากเพราะอะไรไม่มีใครไปหาซื้อแต่แต่ว่ามีคนสนใจบูชากันมากนี่แหละเขาบอกว่าไอคนจะตายมันจึงจะนึกถึงพระแต่ดีไม่ดีพระบอกว่าพระธงพระโถมันดา่าทรง ได้ ว, ว่าทุกคนมองเห็นความตายใกล้ปลายจมูกเข้ามาทุกทีไอ้ความตายเนี่ความจริงมันอยู่ที่ปลายจมูกแข้งขาดขาขาดคอขาดตัวขาดถ้าจมูกยังให้ใจอยู่มันยังไม่ตายมันจะตายจริงๆอยู่ที่จมูกเป็นอันว่าทุกบ้านพายกันบูชาพระอย่างนี้เ้าเรียกว่าบูชาพระกันตายนะ การที่บูชาพระนั้นไม่ใช่เคารพในพระพุทธเจ้าเราทำประสงค์นะที่บูชาจริงๆเนี่ยเ ข, เ, เ, เขาไม่ศรัทธาเรื่อมใส่หรืเปล่าก็ไม่ทราบแต่ว่าตามที่ได้ยินเสียงบางคนบ่นเวลาบูชาออกเสียงดังๆเนะวลาบูชาพระว่ากันดังๆนะโมตัสสะภควัตโตว่ากันเทียงดังเอาเสียงขับผี แกออกเสียงดังๆว่าจะประคุณคุณนาปัดเป่าโครคไข้ไข้เจ็บโรครายนี้ให้ออกไปจากบ้านให้พ้นจากเมือง น, นั่นแน่ใช้พระพุทธเจ้าใช้ประธรรมใช้ประสงค์ให้ขับโรคนี่อย่างนี้เขาไม่ได้บูชาบูชาครับเรายอมรับนับถืออย่างนี้เขาเรียกว่าใช้พระเอาพระบิณฑบาตแล้วแกก็ออกชี้คนในบ้านประกาศว่า คนในบ้านนะชื่อนั่นชื่อนี้ชื่อนี้ใหญหมาตามหมูตามแมวแล้วก็วาเจว่าคนในบ้านมีชื่อนี้บ้างมีจำนวนเท่านี้ฮะลงท้ายว่าแล้วก็ลงทว่าขอพระได้โปรดป้องกันอย่าให้คนนี้ชื่อนี้ต้องตายพระโรคนี้เลยเป็นนะว่าที่จุดทูบนั่นก็ไม่ใช่บุชาวพระอ่าตามแบบสีว่ากันนะ จุดธูปจุดเทียนไม่ใช่บูชาไม่ไม่ใช่บูชาความดีของพระเป็นการกจุดธูปจุดเทียนเรียกพระพุทธเจ้ามาใช้ให้เป็นยามป้องกันโรคหรือใช้ให้พระพุทธเจ้าไปขับโรคยามปกตินี่แกก็ไม่บูชานะในเรื่องของคนที่เห็นแค่คนอื่นดีตอนที่ตนมีทุกข์อันนี้จริงๆรินะ เวลาที่เขาไม่มีสตังมากู้มายืมสตังแล้วแม้ยกย่องสรรเสริญ น, นะเธอทุนไปจะแบบคุณดีอย่างงั้นดีงี้ทุนหัวทุนกล่าวพอได้สตังไปแล้วเวลาไปทวงสตังดีไม่ดีก็ด่าเลย น, นี่นิสัยของคนส่วนใหญ่มันเป็นแบบนี้ไอ้คนนี้มันแปลว่ายุงเรากลุยกันต่อไปว่าเรื่องของคนที่เห็นคนอื่นดีก็ต่อที่ตนมีทุก พอมีสุขเข้าก็มักจะเหลืมกันนี่มันเป็นเรื่องจริงๆไม่ว่ากันถึงคนเลวนะตอนนีว่าอย่างนั้นไอ้คนเลวมีความรู้สึกอย่างนี้มีแต่ความอากตัญญูไม่รู้คนๆฉันดานคนเลวสันดานนักบวชเลวมันก็เลวเหมือนกันไอ้นักบวชมันก็มาจากคนบวชแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําเรื่องพระธรรมวินัยที่จะปฏิบัติ <c oughs> แล่าลือหมด เลิศหมดในะความเห็นเร็เวๆคุณตัวเข้ามาผสมที่ท่านเรียกว่าเดรธีเดรธีปลอมเข้ามาบวชสร้างความเลวทรามในพระพุทธศาสนาเวลานี้มีเยอะญาติโยมผู้รับฟังจำไว้เด็ดนะว่าเวลานี้เดรธีมีเยอะเข้ามาทําลายพระศาสนาในลีลาต่างๆมีทั้งพระมีทั้งฆราวาสแสดงตนเป็นนักบุญชัดระวังให้ดีนะ ว่างๆเชี่ยวจะออกเป็นนั่งคุยกันต่อไปว่าอ่ามันลืมไปแล้วพูดไปถึงไหนนะท่านบอกว่าพอมีความสุขเข้าก็ต่างคนต่างลืมกันนี่พูดถวัตถุพูดถึงคนเลวไอ้คนอากตันอยู่ไม่รู้จักคนคนตาสีนะส่วนคนที่ดีนั่งเขาจะต้องมีผรมมวิหารสีเป็นปกติ มีฐานสี่คือหนึ่งมีอารมณ์รักซึ่งกันและกันไม่เกลียดกันสองสองสารซึ่งกันและกันหวังในการสงเคราะห์ให้มีสุขสามไม่ชา้าหยาเขาหิ้งเขาได้ดีพลอยมีความยินดีด้วยแล้วก็ปฏิบัติความดีตามสี่อุเบกขาความวางเฉยถ้าเหตุการณ์ใดๆมันเกิดขึ้นเป็นเหตุเกินวิสัยที่เราจะสามารถแก้ไขได้ ก็ทำใจเป็นปกติถือว่าเรื่องนี้เป็นธรรมดาของการเกิดต้องประสบอย่างนี้นร่นหมายที่โลกจะทำแบบรายการขึ้นลาบเกิดขึ้นเอาก็ตามใจลาบลาบเกิดขึ้นถือว่าธรรมดาเราหามันก็มีพอลาบหมดไปใจก็เฉยเฉยอุเบกขาแปลว่าวเราใช้มันจนหมด ยศเกิดขึ้นก็ถือว่าอายยศมันมาได้ได้วยแรงงานของเขา แ, แรงความคิดของความดียศเขาถอดไปก็เฉยเฉยเขาให้เราได้เขาก็ถอดไปความสุขเกิดขึ้นก็ไม่ดีใจเกินไปความทุกข์เกิดขึ้นเราถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามันต้องทุกแบบนี้ถ้าคนเขานินทานเราก็เฉยเขาก็เส่นแล้วก็ไม่ดีใจเพราะอะไรเพราะว่าเรา ทรงพรมิหารสีมีเบิกขาเป็นอารมณ์นี่คนดีเขาตั้งตนอยู่แบบนี้นะไม่เป็นตั้งหน้าตั้งตาทำลายความดีเขาพกคนอื่นอย่างพวกเดลทีไม่ว่าส่วนที่คนดีนั้นมีพรมิหารสีเป็นปกติคนประเภทนี้เป็นพ่อคนแม่คนทั้งโลกคนที่มีพมิหารสีเนี่ยแกทำตนมันก็พ่อคนแม่คนทั้งโลก ว่าแกรักคนทั้งโลกแกสงสารคนทั้งโลกไม่ช้าใครพอยินดีกับคนที่มีความดีทั้งโลกทั้งโลกและก็แต่เหตุสุวิสัยเกิดขึ้นแก่ก็วางเฉยได้กับคนทั้งโลกหมายความว่าแต่คนทรงพระวิหางสีที่ว่าเป็นพ่อเป็นแม่คนทั้งโลกก็มีความดีในเรื่งสื่อกล่าวว่าคนประเภทนี้หาได้ยากมาก เวลานี้ถึงพวกทรงผ้ากาสาวะพัดก็ไม่คจะใช้กันไม่กันที่ใช้ก็มีที่ไม่ใช้ก็มีฮะอย่าไปเอาสทัทวองค์นะที่ท่านดีก็มีเยอะที่ชั่วก็มีมากเพราะนั้นว่าจะบอกเวลานี้มันหายากมีน้อยคนนะแต่ว่าสำหรับไอ้คนอากตันยูไม่รู้คนคนเนี่ยแม้กอบโกยเท่าไหร่ก็ได้ มันไม่ได้มองเห็นความดีที่คนดีคนอื่นเขาทํากันเวลานี้ไม่จะคุยฟังเขาพยายามมาค้นคว้าเรื่องพระพุทธศาสนากันในด้านการปฏิบัติค้นคว้าเรื่องมโนมยิทธิอืดและด้านที่เป ย, ยูุขญาณเวลานี้หลายสิบสำนักพระก็มีครว่าก็มีที่ท่านมีความดีถึงอันดับ ที่ท่านบวชข้ามาแล้วท่านเคารพพระพุทธาศาสนาจริงๆต่างคนต่างขา้าต่างหาต่างทำการจนกระทั่งคนพบพบจุดที่ปฏิ บ, บัติในถึงนเทวาดาสวรรค์นรกทุกอย่างรู้ได้ที่พระพุทธเ จ, จ้าตรัสไว้ว่าเทวดามีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริ ง, งอะไรมีจริงท่านพบกันหมดแต่ว่าเจ้าคนเหลว กลับไปเป็นานามคนที่เขคนพบว่านั่นมันเป็นโรคอุ ป, ปาทานนั่นมันเป็นโอภาษ์เอ้ยพูดมาได้คำว่าโอภาพนี่มันเร็วจริงๆไม่มีมันสมองท่เลยไอย้คำาอุ ป, ปาทานก็เหมือนกันมันเร็วชัดชอุ ป, ปาทานเนี่ยเขาไปยึดมันม่นถือมั่นอารมณ์มันทรงตัวคิดว่านีตนานนน่ต้องเป็นอย่างนี้นั่นต้องเป็นอย่างนั้น แต่สิ่งที่เขาประสบกันมันไม่ใช่ขอนี่เคยเคยเห็นมาก่อนมันถ้าเป็นคนดีจริงๆนะหลักสูตของพุทธศาสนาเนี่ยมีสี่อย่างคือสุขวิปัสสโกปฏิบัติไปแล้วมึดมึดหมดมั ว, มวไม่เห็นผีไม่เห็นเทวดาไม่เห็นนรกเตวิโชเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกลึกชาติได้ชชละพินโย มีฤทธิ์มีเดตรู้ได้ดีทุกอย่างอย่างวิชาสามปฏิสัมพิทัพปรตมีความรู้คลุมวิชาสามและวิญญาหกทั้งหมดแล้วก็มีความฉลาดกว่าหลักสูตรแบบนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงสอนตั้งแต่เริ่มเรียนนักธรรมโทก็รู้แล้วพอถึงนักธรเอกมีหลักสูตรวิสุทธิมตรตก็ต้องรู้ ถ้าได้เป็นบ ร, ริเนเป็นบ ร, ริเนแปดประโยคก็ที่จะต้องแปลวิสุติมักต้องรู้ละเอียดมากขึ้นแต่ถึงประโยค9เก้าก็ยนมีธรรมเข้าใจธรรมะมากขึ้นแล้วก็ทำไมไม่ใช้ปัญญาปฏิปทาคุณฟ้าให้มันพบละ่ะมันนั่งว่าคนนั้นว่าคนนี้เขามันจะดีหรือน้องชาย เป็นนวาชยาแบกงัอมาอดชะบานเลเวลานี้เด็กๆเดก็ทำได้ขายขี้หน้าเด็กมันแล้วก็เป็นครวา ด, ด้วยนี่ช่วยเตือนนไม่ได้ว่าอะไรนะเปร็นดานว่าไอคนอักตัญยูไม่รู้คนคนในดานสีนะด้วยคนที่มีพมีหันสี่เป็นคนที่มีบา ร, รมีสูงคำว่าบา ร, รมีนี่ก็คือกำลังใจฉะนั้นท่านจะประสงค์พัิธุ์พันในชาตินี้ ก็มีหวังที่ไปได้ไม่ยากแต่คนที่มีพรมิหารสี่ครบถ้วนจริงๆแล้วมันตัดกิเลสได้ชัดตัดกิเลสได้ทุกประเพศสิงก็บริสุทธิ์สมาธิลดทรงตัวตัดกิเลสก็ได้ง่ายฉะนั้นคนที่มีพรมิหารสี่จริงๆแล้วก็จะไปนิพพานมันก็เป็นของไม่ยากมีทีที่จะไปไม่ยากจะทํำยังไงบรรดาท่านพุทธบริษัท มองดูเวลาเส้นตรงสามสิบนาทีพอดีเปลี่ยนว่าวันนี้ก็ต้องขอ ร, งระงับวัตถินเที๋นี้ขอลาก่อนขอบรรดาสาวกข้อองสมเด็จะัินาวรทุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลและจงเจริญไปด้วยจากตัวรัพย์พิรพรชัยทั้งสี่ริการ มีอายุวันละสุขพะพระละปฏิพานหาทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี